ค ว, นนคว่อลัมนไ์ไดอารี่หมอดูหน้าที่เจ็โดยหมอพีเดือนคุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักซึ่งคนกลุ่มใหญ่ก็มักจะคิดถึงความรักระหว่างหญิงชายเป็นอันดับแรกแต่ความรักมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นความรักเพื่อน ความรักชาติบ้านเมืองความรักครอบครัววันนี้ก็มีเรื่องราวของความรักในมุมที่แตกต่างไปมาเขียนบันทึกคำว่าความรักทาสั้นๆเหมือนจะเข้าใจได้ง่ายแต่สามารถทําให้โลกใบเนี้ยเกิดความวุ่นวายหรือทําลายล้างทุกอย่างให้หายไปได้ในพริบตาความรักไม่มีถูกหรือผิดแต่ถ้าไม่ระวังก็อาจจะพลาดพลั้งก่อกรรมอีกมาก เหมือนกับลูกค้าสองสามีภรรยาคู่หนึ่งมาปรึกษาเพราะกำลังทุกข์ใจเรื่องลูกเพราะว่ามีลูกเป็นเด็กออทิสติกอยากรู้ว่าลูกทำไมไปทำกรรมอะไรมาถึงต้องเจอแบบนี้ทำไมลูกถึงไม่ดีขึ้นบ้างเด็กออทิสติกมีลักษณะอาการคือในตอนที่เป็นทารกจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นไม่ยิ้มไม่ส่งเสียงอ้อแอแต่อาจส่งเสียงเองตามลาพัง แม้ว่าจะหิวปัสสวะอุจระก็ไม่ร้องไห้แต่อาจร้องไห้เสียงดังโดยไม่มีสาเหตุได้พอโตขึ้นมาเด็กวอกแวกไม่มีสมาธินั่งหยุกหยิกหยิบโน่นจับนี่ตลอดซุกซนใจร้อนวู้วามไม่สามารถบอกในสิ่งที่ต้องการได้พึ่งพาตัวเองไม่ได้มีปัญหาทางด้านพูดแม้กระทั่งไม่สามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆได้เป็นต้น การดำเนินไปของโรคหากเด็กได้รับการรักษาก่อนอายุห้าปีเด็กจะมีพัฒนาการด้านสังคมดีขึ้นความสามารถเรียนรู้ดีขึ้นสามารถแบ่งเด็กที่เป็นโรคออทิสติกตามความรุนแรงได้สามระดับคือ 1. เด็กออทิสติกที่มีความสามารถสูงในการเรียนรู้และสติปัญญาดีสามารถเรียนจบปริญญาช่วยเหลือตนเองมีอาชีพเลี้ยงตัวเองและแต่งงานได้ 2. เด็กออทิสติกที่มีความสามารถต่ำลงมาสามารถเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6และฝึกอาชีพง่ายๆได้ 3. เด็กออทิสติกที่มีสติปัญญาอ่อนและมีอาการเรื้อรังเด็กในกลุ่มเนี้ต้องมีผู้ช่วยเหลือดูแลตลอดชีวิตกลับมาถึงเรื่องของลูกค้ารายนี้ซึ่งเมื่อดูจัดดวงและนิสัยใจคอของคนทั้งสองจะเป็นคนใจร้อนวู้วามดื้อรั้นเอาแต่ใจ ไม่ค่อยแคร์สังคมและคนรอบข้างขณะโกรธชอบใช้คำพูดให้คนอื่นเสียใจได้ง่ายสามีภรรยาคู่เนี้ยก่อนมาแต่งงานกันมินิสัยคล้ายกันมากคือพ่อแม่สอนอะไรก็ไม่ฟังเถียงพ่อแม่แรงๆเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงเอาแต่ใจตัวเองชอบเอาชนะไม่ยอมแพ้พอทำอะไรไม่ได้ดังใจก็เสียงดังโวยวายหรือกรีดกรีด เดินในบ้านก็หลง้นเท้าปังๆทำกิริยาอาการต่างๆเพื่อประท้วงจนทาให้พ่อแม่เหนื่อยใจทุกใจไม่อยากจะขัดใจเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่เคยบอกว่าจะกลับกี่โมงปล่อยให้ท่านต้องเป็นห่วงเกิดความวิตกกังวลใจกลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายแถมยังใช้เงินตามใจไม่นึกถึงว่าพ่อแม่จะลาบากรู้แต่ว่าเมื่อขอก็ต้องได้ตอนที่พ่อแม่เจ็บป่วย ไม่เคยสนใจดูแลไม่แบ่งเบาภาระการงานท่านเลยทั้งสองคนพลาดพลั้งทำกรรมหนักกับพ่อกับแม่ตัวเองและในดวงตัวเลขก็เป็นดวงอริกับพ่อแม่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันการที่มีดวงดาวเคราะห์ชนดวงพ่อแม่หมายถึงว่าในอดีตชาติก็เคยเอาแต่ใจตัวเองทำกรรมไม่ดีกับพ่อแม่มาหรือแม้ตอนมีลูกก็ไม่ค่อยมีเหตุผล จากกา ร, รตรงนั้นก็ส่งผลให้มาเกิดในครอบครัวที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันพอต้องเกิดในครอบครัวที่คิดไม่ตรงกันก็เป็นแรงผลักดันให้ต้องใช้อารมณ์ทำกรรมใหม่เพิ่มอีกมิหนำซ้ำทั้งสองคนไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็นบาปเพราะคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวทำไปเพราะเคยชินไม่ได้คิดอะไรมากความจริงทาบาปแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นบาป ผลที่ได้รับจะหนักเพราะไม่มีโอกาสที่จะสำนึกผิดเมื่อคนสองคนทำกรรมแบบเดียวกันมาแต่งงานกันไม่มีใครเตือนสติใครได้เลยว่าการกระทาที่ทำให้พ่อแม่เสียใจนั้นเป็นกรรมหนักถึงแม้จะไม่เตือนก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ยังทำเพิ่มอีกเนี่ยเพราะถึงเวลามีลูกกรรมหนักย่อมรอคิวให้ผลอยู่แล้วก็ต้องจัดสรรเด็กที่ต้องมีอาการผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจมาเกิด เพื่อให้ต้องใช้กรรมเป็นธรรมดาขณะที่เห็นนิสัยของพี่เขาทั้งสองคนคิดว่าตัวเองเห็นผิดไปหรือเปล่าทำไมแรงจังก็เลยลองดูอีกครั้งโดยใช้ตัวเลขวันเกิดเป็นตัวช่วยยืนยันอีกก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมก็เลยเชื่อมั่นว่าเห็นไม่ผิดแน่แต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดตรงๆเพราะกลัวว่าจะรับไม่ได้เลยค่อยปรับคาพูดให้นุ่มนวลลง พี่ผู้หญิงเหมือนจะรู้ว่าไม่กล้าบอกพูดออกมาว่าไม่ต้องเกรงใจค่ะพี่รับได้บอกตรงๆเลยนะคะก็เลยบอกไปทั้งหมดเหมือนที่รู้สึกมาเขาก็อึ้งไปนิดนึงเสร็จแล้วก็น้ําตาคลอพร้อมกับรับสารภาพว่าทำกับพ่อแม่มาจริงๆทั้งคู่ไม่คิดว่าจะเป็นกรรมที่ทำให้เขาต้องมาเจอแบบนี้จิตใจของสองสามีภรรยาโดนความทุกข์ เรื่องลูกเล่นงานมาเยอะทำให้ความเชื่อมั่นลดลงทำให้สำนึกผิดได้ง่ายและพร้อมที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองบอกเพิ่มไปอีกว่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทั้งสองคนก็คือโชคดีที่กรรมให้ผลในชาตินี้ไม่ต้องรอไปให้ผลในชาติหน้าเพราะถ้าเกิดมาชาติหน้าก็ต้องลืมว่าอาดีตที่ผ่านมาได้เคยไปทากรรมกับใครไว้สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ทั้งคู่ได้เห็นว่ากฎแห่งกรรมมีจริงวันที่พี่ทั้งสองคนมาหาเพื่อดูหมอนั้นก็ได้พาลูกมาด้วยอาการของลูกพี่เขาก็เห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนได้ทำกับพ่อแม่ไว้คือน้องเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนมากๆจะกรีดกรีดเสียงจะดังฟังแล้วค่อนข้างแสบแก้วหูรู้สึกได้เลยว่าคนที่จะเลี้ยงจะต้องเกิดความโมโหเกิดความหงุดหงิด เกิดความรําคาญถ้าเทียบจากกรรมของทั้งคู่ที่ก่อไว้คือใช้คําพูดที่ไม่ดีกับพ่อแม่ทําให้เกิดความทุกข์ใจการที่ลูกไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ต้องคอยดูแลตลอดเวลาและเวลาที่ต้องฝากคนอื่นเลี้ยงก็เป็นทุกข์มาห่วงว่าคนอื่นจะดูแลได้ดีเท่าตัวเองไหมกลัวลูกจะได้รับอันตรายบางครั้งก็ต้องทุกข์ใจไปในอนาคตอันไกลอีกว่าพอลูกโตลูกจะพึ่งตัวเองไม่ได้ จะต้องทำยังไงถ้าตัวเองไม่อยู่ทุกข์กับอนาคตของลูกก็เป็นผลมาจากการที่เคยทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์เป็นห่วงไปไหนไม่เคยบอกโรคออทิสติกค่ารักษาค่าพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าจ้างพี่เลี้ยงค่าโรงเรียนทำให้ต้องเสียเงินเยอะมากในการต้องเลี้ยงลูกที่เป็นแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นผลจากการที่ทาให้พ่อแม่เดือดร้อนเรื่องเงิน ไม่แบ่งเบาภาระท่านให้สบายเจ็บป่วยก็ไม่เคยดูแลสรุปว่าโอกาสหายสนิทยากถ้าจะดีขึ้นมีทางที่จะเป็นไปได้เพราะอย่างน้อยพี่เขาก็ได้เชื่อกฎแห่งกรรมว่ามีจริงและหลังจากนี้ก็ให้ไปกราบเท้าขออโหสิ ก, กรรมกับพ่อแม่ทดแทนบุญคุณท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้อย่างน้อยการที่มีสานึกผิดคิดกลับตัวกลับใจ สร้างกรรมดีใหม่แทนที่กรรมไม่ดีถือว่าเป็นบุญใหม่จะเป็นตัวแปร ى, ที่จะส่งผลให้สามารถรักษาลูกเขาจากอาการที่หนักๆให้ดีขึ้นสามารถพึ่งตัวเองได้ในอนาคตหลังจากที่เวลาผ่านมาก็ได้เจอลูกค้าอีกหลายคนที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษแต่อาการจะไม่หนักมากเด็กสามารถพึ่งตัวเองได้หรือบางคนก็มีโอกาสที่จะหายได้ พ่อแม่ของเขายังไม่ได้ทํากรรมมหนักเข้ากับสามีภรรยาคู่นี้คนที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติกมีสาเหตุหลักๆจากการทํากรรมกับพ่อแม่ทั้งนั้นลูกค้าที่เจอตอนหลังๆดวงมีแต่เป็นอริกับพ่อกับแม่สําหรับใครที่ได้กระทํากรรมกับพ่อแม่ไว้ก็ต้องรีไปขออโหสิ ก, กรรมก่อนที่มันจะสายเกินไปโดยเฉพาะคู่ที่กําลังจะแต่งงาน หลังๆมาก็มักจะได้ยินคนอื่นพูดกันบ่อยๆนะว่าทำไมเดี๋ยวนี้มีเด็กเป็นโรคนี้เยอะขึ้นก็เพราะคนสมัยเนี้ยใจร้อนดื้อรั้นมีความคิดเป็นของตัวเองสูงไม่เคารพผู้ใหญ่ทำให้พ่อแม่ทุกใจไว้มากไม่เหมือนกับคนสมัยโบราณซึ่งท่านจะสอนลูกให้มีกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่และผู้หลักผู้ใหญ่ และยังสอนให้มีความกตันอยู่รู้คุณยังดูพ่อแม่อีกด้วยหมอพี่อยากเงิแล้วน้ำตาว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดทาคนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยส บ, บายใจสักครั้ง อดยังไม่สาย。